มาคันตกาก็ตายแล้วพระช น, นะก็กลับไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่ณประเทศคือสถานที่บริเวณ น, นั้นเนี่ยที่มีสวนมะม่วงชื่อว่าอนุปยะพระองค์นี้ยับยั้งอยู่ณอนุปยมพวันอนุปยะอัมพวันก็คือสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นเจ็ดวันด้วยความสุขในบรระชา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 วันเดียวเท่านั้นพระองค์ก็ข้ามแม่น้ํำคงคาซึ่งคลั่งไปด้วยฤดูและคลื่นหมายคือว่าแม่น้ํำคงคานั้นน้ําก็เย็นแล้วก็คลื่นก็แรงพระองค์ก็ข้ามไปอย่างไม่ติดขัดสเสด็จเข้าไปสู่พระนครราชครึกเป็นเมืองหลวงที่แผ่วพรา่าไปด้วยประกายแสงแห่งรัตนะเมือง น, นั้นเป็นเมืองที่รุ่งเรืองร่ารวยมากในยุคนั้นครั้นพระองค์สเสด็จเข้าไปแล้วก็เที่ยวสแสวงหาภิกษาตามลําดับตรอก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 เพราะว่าท่านถือเพศอื่นเห็นความเจริญลีลาอย่างยิ่งของพร ะ, ะมหาราชของพวกเราและชาวเมืองก็เสด็จมาเล่นด้วยบ้านเมืองเราสงบร่มเย็นเป็นบ้านเมืองที่สุขสบายพละะังการ ม, มาเที่ยวเขาเลยมาอยากมาเที่ยวด้วยประมาณไอคนอื่นอีกนั้นก็ยิ้มแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าท่านเออท่านบ้ากันนเรื่องไงนั่นพระอินทผู้มีสรีระร้อนเรืองด้วยความหมของเพลิงยนันอันเรืองแรงเป็นพระองค์นั้นเป็นเท้าสหัสนสยคือพระอินเนี่ยนะ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 ท่านรู้ว่าคนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยประมาทก็เลยมากันเพื่อประกอบเอาไว้ในพระเวทในเวททางเป็นต้นต่างหากเราในคนนี้นับถือศาสนาพราหมณ์มากและคลั่งพราหมณ์มากเพราะฉะนั้นเห็นใครงามขนาดนี้เอพรมมาแล้ ว, พรม ม, ลวพรมมาแล้วเนี่ยนะมาช่วยตักเตือนแนะนาสั่งสอนคนอื่นที่เป็นบัณฑิตก็ปราบคนเหล่านั้นทั้งหมดพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นไม่ใช่พระจันรเพนไม่ใช่กามาเทมิใชท่ามิใช่เท้าศาสนาคือพระอินไม่ใช่พระพรมทั้งนั้น ท่านผู้นี้เป็นอัจฉริยะมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์อัศจรรย์เป็นบุรุษอ่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นท่านผู้นี้แหละจะเป็นศาสดาผู้นำของโลกทั้งปวงแสดงว่าคนนี้อาจจะจบคำพิมพ์มหาปริศลักษณะมองเห็นก็รู้เลย <idad> เมื่อชาวนครเจรจากันอยู่อย่างนี้พวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้าพิมพ์พิสารว่าข้าแต่สมมุติเทพ เทพคนทันหรือย ะ, อะนาคราชยักษ์หรือใครเนาะเที่ยวแสวงหาพิษสารในพระนครของเราไม่รู้วใครกันแน่นี่นะพระราชาเมื่อสดับเรื่องนั้นแล้วก็ยืนอยู่ณปราสาทชั้นบนเห็นพระมหาบุรุษก็เกิดความคิดที่อัศจรรย์ในใจขึ้นว่าไม่เคยมีหรอหน้าอัศจรรย์จ ร, ริงหรอไม่เคยมีพระองค์ก็สั่งพวกราชบุตรว่าพวกท่านจงไปทดสอบท่านผู้นั้นถ้าเป็นอมนุษย์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 จากนั้นพวกราชบุรุษก็เข้าไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาเป็นที่จริงแล้วถ้าใน อ, อัตตะถาสุตตานิบาตก็กล่าวถึงว่าพระมหาบุรุษนี่พอเห็นอาหารเท่านั้นเลยนะคือไม่เคยเสวยอาหารเช่นนี้มาก่อนเลยเนะี่ยลํำสะกเรียกว่ามันแทบอาเจียนไส้แทบจะวิ่งออกมาข้างนอกว่ากันแต่สารทั้งก็พิจารณาว่าไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นต้นแล้วก็นั่งเสวยอาหารเหล่านั้นได้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 อ า, าลลดาบทกาลามโคดและอุทะกะดาบทรามบุตรก็ไปเรียนวิชาสมถะวิปัสนาจนสมถะจนได้สมาบัติ8ดให้เกิดขึ้นท่านก็เจริญสมถะโดยส่วนเดียวเนี่ยนะตามคําแนะนําของอาลาละดาบทอุทะกดาบทจนสา ม, มารถทํามสมาบัติ8ดให้เกิดภายในไม่กี่วันนะซึ่ง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 พระองค์ก็ไม่ใส่ใจถึงสมาบัติภาวนานั้นพระองค์ไม่สนใจเลยว่าเ อ, อวิธีเนี้มันช่วยพ้นทุกข์จริงก็ถือว่าปฏิเสธแล้วว่าวิธีที่แนะนําจนถึงเนวสัญญานาสัญญาเยตนะไม่ใช่วิธีที่นําออกจากทุกข์ได้จริงพระองค์ก็เลยมาค้นคว้าวิจัยความตั้งความเพียรในออตามแนวทางที่พระองค์คิดว่าควรจะเป็นก็คือตั้งความเพียรเจริญอะไร เจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาคือพระองค์มาเน้นอ บ, บรมอินทรีทั้ง5แต่ถ้าในลทัทธิของอาจารย์อาราละดาบทอุทกะดาบทเน้นคือเน้นสมถะเน้นสมาธิแต่พระองค์ก็มาเน้นความสมดุลแห่งอินทรี 5. ทั้ง5้าทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทีนี้การที่จะบำเพ็ญเพียรก็ต้องคิดว่าสถานที่ไหนหนอะส ป, ปายะเหมาะที่จะ บำเพ็ญเพียรพระองค์ก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาพระองค์ก็ดมริว่าภูมิภาคนี้น่าเรื่อนรมจริงหนาะบริเวณแถวๆไม่ไกลาจากที่ตรัสรู้เท่าไหร่เนี่ยนะตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยพระองค์ก็เข้าไปอยู่ณนะตำบล น, นั้นพระองค์ตั้งความเพียรยิ่งใหญ่ฝ่ายชนทั้งห้าคือบุตรของพราหมณ์ผู้ทำนายมหาปริศลักษณะสี่คนและพราหมณ์ชื่อว่าโกนธัญะก็บวชคอยอยู่ก่อน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 รูปตัวปรับคนเนี่ยหลุดหมดเนี่ยนะเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารมันก็พร้อมอุจาระก็เหมือนกับพวกขี้แพ้อะนะเหมือนพวกขี้แพ้อย่างนั้นแหละเวลาลุกจะเดินก็ลม้มเกือบจะลม้มจนเทวดาบอกคู่ทีตายแล้วเนี่ยบางทีท่านก็เจริญไปจนล้มแผลแล้วก็เหมือนกับเหมือนแทบจะสลบไปเนี่ยนะเทวดาบางพวกบอกโอ้ตายแล้วมันน้ ง, งเนี่ยบอกยังยังเนี่ยมันเป็นสมาบัติของอรหันต์นะเนี่ย น, นะเทวดาก็โอ้คิดไปหลากหลาย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 นี่ไม่ใช่ทางแห่งความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้นี่ไม่ใช่ทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์ก็ระลึกถึงว่าเ อ, อานาปานาสติเป็นบาตแห่งการเจริญสมถะวิปัสนาเนี่ยนะานาปานาสติอ น, นั้นเนี่ยคงเป็นพื้นฐานอุปนิสัยสําคัญให้ตรัสรู้ได้แน่นอนพระองค์ก็เลยบอกว่าจะเจริญอานาปานาสติทั้งทั้ที่ยังอดอยากทาัทง้ทงๆที่หิวแบบนี้คงยากพระองค์ก็เลยทําไง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 เมื่อ <tyard. S 2> ได้อาหารบำรุงก็กลับคืนสู่ภาวะปกติไม่ใช่ว่าอายุมากเข้าไปแล้วทำอย่างนี้คืนอันนี้ไม่คืนแต่ถ้าสำหรับพระโพธิสัตว์ที่กลับคืนเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวัยชราเพราะอายุตอนนี้ก็ประมาณสัก3ามสิบปีสาาปีแนั้นนั่นเองเสร็จแล้วก็ขณะนั้นฝ่ายพิสุ ป, ปัญจวัคคีเ น, นี่นะเห็ น, นพระโพธิสัตว์กลับมาบริบูรณ์เหมือนเดิม ก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้ทําทุกขกิริยาทำด้วยความทุกยากลําบากมา6ปีก็ไม่สามารถแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณคือแทงตลอดอสสาธารณะญาณหกไม่สามารถแทงตลอดพุทธคุณได้มาบัดนี้ยังเที่ยวบินทบาทไปในคามนิคมราชธานีทั้งหลายบริโภคอาหารอยากเขาจะได้เป็นอจักเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบอกเป็นไปไม่ได้ขนาดทําเดือดร้อนนั่อย่างบรรลุไม่ได้แล้วกลับมาฉันอาหารแบบนี้บรรลุได้ยังไง เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้มักมากคลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากประโยชน์อะไรของเราด้วยท่านผู้นี้ไม่ต้องอุปถาไม่ต้องอุปธรร์ไม่ต้องบำรุงแล้วเนี่ยนะกลับมามักมากแล้วไม่เอาละหมดศรัทธาว่า ง, งนบอกลาอาจารยนะ์คือไปแบบไม่ลาเลยนะก็ล ะ, ล, ะละพระมหาบุรุษไปยังป่าอิสิปัตนะมรุกขายวันะเราไปไปตามทางของเราดีกว่าเนี่ยนะนะเพราะยังไงเดินตามผู้นี้ทําท่าไม่ปลอดภัยแน่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 ที่จริงคืนก่อนหน้าเนี่ย ค, คืนคืนก่อนคืนวิสาขะวันสิบสีค่าเนี่ยพระองค์ก็ฝันมาแล้วล่ะฝันนะนะมหาสุบินนิมิต5ประการของพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็เช้ามาก็พยากรณ์ฝันแล้วว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าณวันนี้นี่แหละมันเช้าวันวิสาขะปุรมีพระธระมหาบุรุษก็เสวยข้าวมะทุปาญาซึ่งเทวดาสายทิพโอชะอันยิงวัยรุ่นชื่อวสุชาดาผู้บังเกิดครอบคร่อ ผู้เกิดในครอบครัวของเสนานีกุดุมพีตำบลอุรุเวลาเสนานิคมถวายแล้วพระองค์ก็ถือถาดทองเนี่ยนะาวางลงสู่กระแสมแม่น้ำเนรัญชราก็คือหลังจากที่เสวยเสร็จพระองค์ก็เอาถาดเนี่ยไปลอยถาดใช่ไหมโ ย, ยมคนหนึ่งก็บอกว่าร่อนถาดมันนันไม่ใช่นะของลอยและถาดลอยไปนั่นนะ คือถาดนั้นตกลงไปก็เหมือนกับว่าไปปลุกพญานาตกาลาราคราศผู้หลับแล้วให้ตื่นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพักกลางวันณนะสารวันซึ่งประดับไปด้วยดอกไม้หอมมีแสงสีเขียวหน้ารื่นรมริมฝัง่งแม่น้ำเนรัญช า, าเวลาเยน็นพระโพธิสัตว์ก็พอถึงเวลาเย็นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เสด็จมุ่งไปยังต้นโพธิ์ตามทางที่เทวดาทั้งหลาย ระดับตกแต่งเอาไว้ก็คืออย่างที่นายพุทธวงศ์บอกว่าพระองค์เสด็จดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาตกแต่งไว้แล้วทางอันนี้หมายถึงเทวดาแต่งให้เทวด า, ห น, าหน้ายักษิทธาเป็นต้นพากันบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลสมัยนั้นคนหาย่าชิวโสทิยะถือหญ้าเดินสวนทางมา หรืออาการของพระมหาบุรุษก็ถวายยญ้า8กรกมพระโพธิสัตว์รับอาย่านั้นแล้วก็เข้าไปยังโคนโพรพฤกชื่อวต้นอสัสทะซึ่งเป็นวิชัยพฤกวิชัยและวชนะเนี่ยนะเป็นต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งชัยชนะอันรุ่งโรดกว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลายในบริเวณนั้นต้นโพต้นนั้นรื่นรมที่สุดเนี่ยนะคลายอัญชนะคีรีสีเขียวรามประหนึ่งช่วยบรรเทาแสงทินกรมีร่มเ ง, งาเย็น มีร่มเงาที่เย็นมากเพราะว่าถ้าใครเข้าไปพักยามเที่ยงวันกันนะเป็นต้นไม้ต้นโพต้นไทรายเนี่ยนั่งตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างเย็นนะนะถ้าเทียบกับต้นไม้อื่นๆและต้นต้นโพต้นไทรเนี่ยเย็นมากพระองค์ก็ประทับนั่งและพระองค์ก็นั่งเยือกเย็นด้วยพระ ก, กรุณาเหมือนหารุไทยของพระองค์ใจของพระพุทธเจ้าก็ดำรงอยู่ด้วยกรุณาอของพระโพธิสัตว์นะ ท่านบอกว่าบริเวณนั้นเว้นจากการชุมนุมของวิฆหกนกนานาชนิดนกไม่ไม่ปกติแล้วนกเนี่ยก็อาศาัยอยู่ที่ต้นโพต้นทรายเนี่ยนะขณะนั้นไม่มีนกประชุมอยู่เลยต้นไม้ต้นโพเนี่ยประดับด้วยกิ่งอันหนาทึบต้องลมอ่อนๆโชยมาประหนึ่งฟ้อนรําดุดยินดีด้วยปีติแต่แหมต้นโพกระทบกิ่งโพกระทบลมเนี่ยนะถ้าใครขี้กลัวผีหน่อยเนี่ยหัวไว้ียไปก่อนเลยนะ เสียงเย็นเนี่ยนะกร ะ, กระทบดังแค่ๆโอ้เสียงเย็น น, นะฮะแล้ว ข, ของมาบดใหม่ๆเนี่ยแถวที่ไม่ค่อยปใกล้ๆเลยก็คือแถวต้นโพและคนก็ชอบเอากระดูไปไว้โค้นต้นโพด้วยเนี่ยนะโอ้ยน่ากลัวเหมือนกนะันแต่ถ้าต้นโพที่พระพุทธเจ้าเออดีไม่กลัวเหมือนกนะันพระองค์ก็ทําประทักษิณพญาอสัตพฤกคือต้นต้นไม้ต้นโพเนี่ยนะที่เป็นหัวหน้าของต้นโพทั้งปวง ประทับยืนด้านทิศอีสานพระองค์ก็จับยอดญ้าเขยา่าทันใดนั้นก็มีบอลลังสิบสีอกญ้าเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับจิตรกรวางเอาไว้ก็บอกว่าญ้าที่มาวางเรียงกันเหมือนแปลงขาสีเขาบอกงั้นงามมากพระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งขัดสมาธิเนื้อสันทัดญ่าสูง14ศอกพระองค์อธิษฐานความเพียรอันประกอบด้วยองค์สี่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 เหตุให้ท่านตายมีนั่งพันอย่างวันเหตุที่ท่าน เ, าเหตุที่ทําให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจงเลิกทําความเพียรแบบนี้เถอะกลับไปบริโภคอาหารท่านจะได้ทําบุญ น, นะท่านก็จะได้ทําบุญ น, นะนะไปบูชาไฟเถอะไปทําอะไรเถอะก็ไปขอร้องพระโพธิสัตว์ให้เลิกพระองค์ก็บอกว่ราร่างกายของเราถึงจะเป็นอย่างนี้นะแต่ใจของเรานี้ก็พ่องใสเหลือประมาณยิ่งพ่องใสยิ่งผ่องใสปราณนั้น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 ตั้งอยู่สุดจักรวาลเบื้องสูงเก้าโยตได้ยินเสียงคำรามดังเสียงแผ่นดินคำรามตั้งแต่ 9,000 โยตสมัยนั้นเทา้าสกะเทวราชยืนเป่าสังชื่อวิวชยุตระเขาว่าสังนั้นยาว 2,000 ศอกคนทันเทพระบุตรชื่อว่าปัญจสิกขาถือผินสีเหลืองดังผลมะตูมยาวสาขาวุะเลงยืนขับร้องเพลงประกอบด้วยมงคลเทา้าสยามเทวราชนะทรงทิพ จามอนอันมีสิริดังดวงจันทร์ยามฤดูศาสตร์ยาวสามข่าวุฒยืนถวายงานพัดลมอ่อนๆเนี่ยนะพัดกับพัดให้มีลมอ่อนๆถวายพระผู้ศรัทธานะเท้าสามบดีพรหมก็ยืนกลางก้นฉัดเหมือนดวงจันทร์ดวงที่สองกว้างสามโยดไว้เบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระมหากาลนาคราชนาคราชองค์ที่ลอยถาดน่นนะองค์ที่ถาดไปกระทบนั่นแหละ อันนาคฝ่ายฟ้อนรำแปดหมื่นแวดล้อมไร้คาถาสดุดีนับร้อยยืนนมัส ก, การพระโพธิสัตว์เทวดาในหมื่นจักรวาลบูชาด้วยพวงดอกไม้ของหอมและก็จุนทูกเป็นต้นพากันยืนถวายสาทุกการพวกที่จะอนุโมทนานะสาทุก ข, ขอให้บรรลุขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอวยชัยให้พรจะได้ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏุก